สำนวนในคัมภีร์ที่ว่าถูกมาแงเจาะใยเป็นเป็นภาษาเปรียบเทียบนะมาแรงตรงนั้นคือมาแรงได้แก่มิจฉาวิตกลุมเจาะคือความคิดตกไปในข่ายของมิจฉาวิตกสารพัดอย่างไม่อาจจะรักษาจิตให้เป็นสมาธิอยู่ในที่นั้นได้จึงได้เข้ามาถวายอารมณ์กับพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าจึงทรงให้อวาต แล้วก็ได้แสดงว่าการที่บุคคลจ ะ, จะเจริญในเจโตสมาธิเนี่ยคือหมายถึงการปฏิบัติทางจิตจะเจริญก้าวหน้าเนี่ยจะต้องมีเหตุปัจจัยหลายอย่างนะซึ่งเหตุปัจจัยหลายอย่างเหล่านี้นะบางอย่างไอ้มองด้วยตาเนื้อไปอย่างแต่มองด้วยตาในในทางลึกเนี่ยไปอย่างก็บังเอิญในนี้นะไม่ได้อธิบายเอาไว้ว่าเพราะอะไร ที่นี้จึงเป็นอสัพปายะแก่พระเมขียะที่พระพุทธเจ้าไม่เห็นเหมาะแก่ท่านและท่านไปปฏิบัติแล้วก็ไม่เหมาะจริงๆเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านเมขียะก็เลยไม่ไปไม่ไปแล้วก็มาพยายามชําระกรรมฐานของตัวเองให้ดีขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงกล่อมกลาชําระกรรมฐานจนท่านได้บรรลุเป็นพระอารหันต ในที่นั้นก็คือว่ า, อ, าอยู่ตรงหนึ่งบรรลุอยู่อีกตรงหนึ่งไม่บรรลุตรงที่หกสิบเจ็ดองค์นี้ชื่อว่าเอกะธรรมสวรีท่านผู้นี้เป็นชาวเสตปยานครก็เป็นเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ในแกลนโกวลนะแล้วก็โดยฐานะนั้นเป็นลูกเศรษฐีได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่สีสปาวันสีสปาวันที่ทรงสรัสพระสูตร ที่ชื่อว่าสีสปะ่าสุดไงฮะเรื่องกรรมใบปลรูลายใบปารูใบปารูลายที่ในกรรมประหัตก็อยู่บนต้นอันไหนจะมากกว่ากันนั่นแหละอ่อะไรที่สอนแล้วไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่สอนที่เป็นประโยชน์ก็สอนแต่รู้ทั้งเป็นประโยชน์ทั้งไม่เป็นประโยชน์ก็ไปฟ้าพุทธเจ้าไปพบพระุทธเจ้าครั้งแรกอันทีนั่นพรพระพุทธเจ้าได้ทรงตรวจดูอัธยาศัย นะฮะอันนี้ก็เป็นฝีมือพระพุทธเจา้าเอาแน่เลยครัถ้าตรวจดูวิยาศัยแล้วก็เป็นนั่นแน่นอนถ้าเป็นพปลาที่เก่งทางปรารถณ์เดียวนี้ยังไม่เอาเป็นแน่นอนพอเป็นหลักบางอย่างได้อเมื่อพระผู้มีพระสงฆ์ตรวจดูวิทยาศัยแล้วเนี่ยคือการตรวจ ด, ดูวิทยาศัยเนี่ยถามว่าตรวจ ด, ดูเพื่ออะไรตอว่าเพื่ออนุเคราะ อนุเคราะห์ะอนุเคราะห์ด้วยการให้ธรรมะเริ่มตั้งแต่สอนว่าจะสอนอะไรแก่เขาบทสอนเนี่ยเพราะว่าอันนี้อธิบายไว้ในคัมภีร์แล้วว่าแล้วก็มีตัวอย่างด้วยอย่างเช่นท่านตรงนี้เป็นต้นคนบางคนนั้นประทับใจกับธรรมะบางบทเพราะได้เคยปฏิบัติศึกษามาแต่อดีตอย่างที่เราพูดกันแหะครับ แต่เราอาจจะไม่เคยได้ยินตัวอย่างชัดเจนในช่างคอมพีร์แต่ได้ยินว่าผู้กรรมนานแล้วนั่นแหละถูกต้องเพราะผู้มีภาคก็เล็งเห็นว่าท่านผู้นี้นะ่ะเคยผูกพันอยู่กับคาถาบางสกุลรู้ไหมครับคาถาบางสกุลคืออะไรอนในจาวัตสังคาลาอนในจาวัตสังคาลา อุ ป, ปาทวยธ ร, รมีนอุปัจจิวานิรุจันติเตสังวูปสโ ม, มสุขค า, าถาบางสกุลเนี่ยไ้เราฟังมาตั้งแต่เด็กอะตั้งแต่จำความได้ก็นึั้นก็เป็นคาถาเป็นพิธีคาถาพิธีการแล้วก็นึกว่าอนิจจาคือไม่เที่ยงคนเราเนี่ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ตายแล้วก็เลยไปแล้วไปจบายว่าตายจะได้เป็นสุขเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนเอาคํา ท้ายคาถาบางสกุลเนี่ยไปปลอบคนที่ญาติตายนะว่าเออเขาตายเขาไปสุขไปแล้วไอ้ที่เรายังไม่ตายยังเป็นทุกข์กันต่อไปเนี่ยถูกไหมาตายแนะเขาเป็นสุขจริงเหรอรู้ได้ไงเขาเป็นสุขจริงเขาอาจจะเป็นสุขก็ได้อาจจะเป็นทุกข์ก็ได้แล้วว่าแล้วแต่ว่าตายไปไหนนั้นชีวิตที่มีอยู่เนี่ยนะครับบางทีก็เป็นสุขกว่าบางทีเปล่าเออเขาตายเป็นสุขไปแล้วเรา เป็นทุกขอก้มนาก้มตาแบบมรดกก็ต่อไปแ ล, ล้วนี่คือทุกตรงนี้แบบงุรกิก็ต่อไปแต่จริงๆแล้วท่านหมายถึงพระนิพพานนะฮะพระนิพพานเพราะฉะนั้นคาถาบางสกุลเนี่ยคือคาถาแสดงทุกข์กับความดับทุกข์อาลียรรสัตย์สีนั่นเองอะที่เป็นวิปัสนาได้ตั้งแต่ต้นเลยเป็นตั้งแต่ว่าวิปัสความเป็นจริงของ วัฏฏะที่เป็นวิปัสนาจนกระทั่งกล่าวไปถึงความเป็นจริงของนิพพานที่เป็นจุดหมายปลายทางของผู้ปฏิบัติวิปัสนาจะพึงยอมรับและจะพึงรู้ไว้พอสลัดแสดงคาถาบาังสกุลโกรท่านเอกะธรรมสวนิยได้สัญญาทันทีได้อนิจสัญญาทันทีว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยง คือได้เนี่ยก็ได้เข้าใจและได้ความรู้สึกเห็นจริงเห็นจังเห็นแจ้เห็นแจ้งแล้วก็ก็ทําสัญญาไว้ในใจว่าลามต่อไปถึงอนิจจังถึงทุกขังและอนัตตานะฮะลามต่อไปเลยได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตั้งแต่ยังไม่ได้บวชบรรลุเดียวนั้นเลยเมื่อบรรลุอาหารหันแล้วก็แน่นอนก็ต้องบวชทีนี้ถ้าถามว่าท่านได้ สร้างบุพกรรมอันเกี่ยวด้วยคาถาบางสกุลไว้ตั้งแต่เมื่อไหรท่านก็เล่าสาวอาดีตให้เห็นนิดนึงว่าในอดีตชาติเมื่อพระพุทธศาสนาของพระพุทธกัสสปะเสื่อมเสื่อมจนทั้งไม่มีศาสนาธรรมหลงเหลืออยู่แล้วเนี่ย อ, อท่านองค์นี้ตอนนั้นได้เกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตมีพระนามว่ากิกี คือพระเจ้าพมาทธศน์ที่ครองเมืองพ<ม>ารานาสีนะเรียกพระเจ้าพมาทธทาหมดแต่มีชื่อเฉพาะต่างกันเหมือนรา ม, มาธิปดีที่หนึ่งที่สองอะไรอย่างนี้นะก็สืบกันมานานเป็นเรียกว่าเป็นเมืองที่สถาบันกษัตริย์ในตอนนั้นยั่งยืนสืบเนื่องย า, ยาวนานมากท่านปลาลบว่าได้ฟังจากปู่ ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยเกิดแล้วเคยแสดงธรรมนะฮะแต่เดี๋ยวนี้นะท่านอยากจะฟังธรรมอย่างนั้นบ้างก็ไม่เห็นมีใครแสดงธรรมผู้แสดงธรรมจะมีอยู่ที่ไหนหรือไม่ท่านก็ให้ประกาศทั่วพระนครทั่วเมืองทั่วแค ว, วนกาสีว่าใครสามารถจะแสดงธรรมของคู่ศะสลุได้อย่างน้อยๆเนี่ยสักสี่บาท จะพระราชทานรางวัลให้อย่างงามและท่านก็ประกาศปรากฏว่าไม่มีใครแสดงธรรมได้เมื่อหาผู้แสดงธรรมไม่ได้ท่านก็คิดว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องไปสแสวงหาตามตัวเองซ ล, ละมะัก็สละราชสมบัติให้กับพระโอรสออกผนวดมุ่งไปที่เชิงผาหิมะาน เพื่อจะไปแสวงหาธรรม ท, ที่ในนั้นก็เล่าว่าพระอินทร์ก็จับตาดูอยู่อันนี้ก็เราได้ความยืนยันอันหนึ่งว่ า, าศาสนาพุทธเนี่ยเสื่อมจากโลกมนุษย์ก่อนแต่ยังจะมีอยู่ที่สวรรค์เตาว่าสวรรค์นั้นเทวดาอายุยืนกว่ามนุษย์พระอินทร์ซึ่งใกล้ชิดกับคาถาบางสกุลถ้าหากว่า ท่านจำได้เนี่ยในตอนที่พระเจ้าเปรติพานแล้วมีผู้กล่าวคําไว้อาลัยสี่ท่านมีพระพรหมมีพระอนุ์มีพระอนุลต์แล้วก็มีท่านท่านอนเนี่ยไอ้ท่านท่านสักกะท่านสักการนี่กล่าวคาถาไว้อะไรคืออนิจจาวัตสังขาราซึ่งท่านชอบท่านก็เอามากล่าวเป็นพุทธบูชา แล้วบางทีเราจะถือเอาอันนี้เป็นเป็นเกรเป็นเป็นนิมิตเอามาใช้บางสกุลกันนะพระอินทร์ก็เลยเอาคาถานมากล่าวกล่าวให้ฟังเพราะกล่าวให้ฟังเสร็จแล้วท่านโรมาชัดท่านก็เกิดปีติเกิดโสมนัสแล้วก็ทรงจำเอาไว้ได้ฝังใจแต่บัดนั้นเลยทีเดียว แล้วก็มุ่งไปสู่ป่าปฏิบัติธรรมแต่ก็เป็นได้แค่ฤาษีนะฮะเพราะว่าไอ้ความลึกซึ้งแยบยนต่างๆของวิปัสสนานั้นน่ะท่านไม่สามารถจะรับได้นี่เป็นประวัติในอดีตชาติของท่านที่ท่านได้เคยกระทำไว้โดยเกี่ยวข้องกับคาถาอานิจจาวัฏสงกาลาคาถาบางสกุลเนี่ยแขกสวดเพลาะที่สุด กินใจที่สุดผมก็ได้ฟังหลายครั้งแต่เสียดายไม่มีเทปอยู่ที่ตัวแค่กินเดียนะสวดนกินใจฟังเท่าไรเท่าไรไม่เบื่อสวดสั้นๆถ้าใครมีเสียงพระแคร์สวดคาถาบางสกุลเอามาแจกจ่ายกันหน่ก็ดี mm. เผื่อเราจะได้เก็บไว้เป็นบา ร, รมีเอาไว้บรรลุธรรมแบบง่ายๆเหมือนอย่างท่าน เอกธรรมทัตวนีนนท่านเอกธรรมทวณีเนี่ยก็คือผู้ที่ฟังบรรลุธรรมด้วยการฟังธรรมะบทเดียวสวณนะสวณนะแปล ว, ว่าฟังเอกะก็คือหนึ่งธรรมะก็คือบทไปองค์ที่หกสิบแปดองที่หกสิบแปดชื่อว่าเอกูธานิยะอันนี้ก็กลับตรลปัดกันครับ องนี้นะแปลว่าพระเถระที่อุทานธรรมบทเดียวอุทานธรรมด้วยบทเดียวเป็นธรรมะที่ท่านประทับใจแล้วก็ใช้เป็นบทกล่าวบทอุทานเป็นคติเตือนใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างในเชิงธรรมะแก่ท่านได้เสมอเหมือนกับบทสวดมนต์นะเทียเหมือนบทสวดมนต์เราเรียกว่าอุทานฤ สวดกันจนเป็นอัตโนมัติทีนี้ไอ้สวดกับอุทานมันต่างกันอย่างนี้ถ้าสวดเนี่ยมันไม่ได้ออกมาจากความรู own, roomm, Không, 2020, ้ส <idence> ึกสวดแล้วก็อาจจะไม่ได้ความรู้สึกแต่ถ้าอุทานเนี่ยเมื่อเปล่งออกมาตื่นความรู้สึกแล้วจิงเปล่งแล้วเมื่อเปล่งแล้วก็ได้ความรู้สึกจึงเรียกเป็อุทานเวลาเราสวดมนต์เราได้ความรู้สึกเสมอไปไหมไม่ใช่ไหมไม่เรียกอุทานเรียกสวดมนต์เพราะฉะนั้นถ้าใครสวดมนต์แบบอุทาน ได้ทุกทีแล้วก็จะนับบดีมากก็โดยมากจะไปสวดบบยอุทานอาตอนจะมีเรื่องวีลาวครับเห็นว่ารถจะเฉี่ยวจะชนอะไรเงี้ยนะฮะหรือจะพลาดถล่มนะ่ะก็อุทานแนตะ่าอุทานไม่ทำมากก็จะเป็นสวดระยอุทานท่านผู้นี้เป็นชาวเมืองสาวัตถีเกิดในสกุลพราหมณ์มหาสารก็ศรัทธาออกบทมุกุทิเจ้าเสด็จรับพระเจตวันเหมือนกับอีกหลายหลายท่านนะครับบทแล้วก็อได้ไปอยู่ป่า แล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจา้าก็พุท ธ, จธจเจ้าก็เสด็จประทับยีนั่นเหมือนกันคือการเฝ้าหมายถึงการเข้าไปเฝ้าเป็นโอกาสอันสมควรบางท่านก็บวชแล้วยังไม่ได้มีโอกาสเฝ้าบางท่านก็บวชแล้วก็อตั้งหลายวันหลายเดือนถึงจะได้มีโอกาสม า, มาเฝ้าอีกนี่วันนั้นในท่านไปเฝ้าไปเฝ้าในก็บังเอิญ น, นะครับพอดีกับที่พระผู้มีาภาคทรงอุทานธรรม ด้วยบทอ า, อาธิเจตโสแปลว่าโดยจิตอย่างยิ่งด้วยจิตอย่างยิ่งอจะเรียกบทอุทานนี้ว่าอย่างนี้อุทานเพราะอะไรอุทานแก่ภาษาลีบุตรคือเห็นภาษาลีบุตรกําลังเข้าอาธิจิตอยู่ในที่ไม่ไกลทรงเห็นเขาก็เกิด อนุโมตนาเลื่อมใสจึงตรัสอุทานด้วยบทอาธิเจตโสคือกล่าวยกย่องถึงความเป็นผู้ที่มีจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นอุทานตำหนองนี้จิตตั้งมั่นรักษาจิตไว้ประคองจิตไว้ดำรงจิตไว้ให้มั่นเป็นตํานองอย่างนี้นี่เหมือนกับเป็นหัวใจออของการเจริญติดจาภาวนาท่าน เอกูทานได้ไปได้ยินเข้าพอดีได้ยินแล้วก็เกิดความรู้สึกทราบซึ้งรู้สึกว่าตัวนะ่ะจับหลักจับหัวใจของการปฏิบัติทําได้ํำนองว่ารักษาจิตไว้รักษาจิตไว้ให้มั่นคงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้พูดอย่างนี้นะถ้าพูดแล้วจับหลักได้แล้วไม่ทราบซึ้งมันก็อย่างหนึ่งถ้าคนฟังจับหลักได้แล้วเกิดความรู้สึกเห็นจริงเห็นจังทราบซึ้งด้วย เหมือนอย่างที่บางคนที่เคยเล่าเป็นเจ้าของห้างใหญ่โตหมดเนื้อหมดตัวจนกระทั่ง <c oughs> ตลายไปเป็นกับตันห้องอาหารแต่ยังขวัญกำลังใจดีอยู่เพราะว่าได้ข้อคิดมาอันหนึ่งจากตัวอย่างของบุคคลก่อนที่เขาเคยเป็นอย่างนี้แล้วก็ฟื้นตัวได้ทีหลังบอกว่าอะไรเสียไปใจอย่าเสียอะไรรักษาไม่ได้ ก็ช่างเลยขอให้รักษาใจไว้ให้ได้เจก็เลยถ้าคุยใครไปคุยกับแกเรื่องประวัติเรื่องอะไรแล้วแกจะต้องพูดคํานี้อยู่เสมอพูดจนคนฟังหมดความรู้สึกไปแล้วแกยังรู้สึกไงอยู่ประทับใจมาก เ, เพราะฉะนั้น้ตรงนีนะ้เป็นหลักสําคัญที่คนเข้าใจในทางลึกแล้วเนี่ยจะมีความทุขทุนใจต้องมั่นคงต้องรักษาใจไว้ให้ได้ นึกขึ้นทีไยพูดทีไยแล้วได้ความรู้สึกเรียกความรู้สึกกลับมาได้เพิ่มไม่ใช่เรียกแค่เพิ่มด้วยใจก็จะซาบซึ้งกับคำคำเดียวนี้มาเพราะว่าพุทธพจน์นี่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งว่าบทใดก็ตามคำใดก็ตามคำเดียวนั่นแหละเรียนไม่รู้จบครับให้รสชาติได้ตั้งแต่ตื่นไปจนกระทั่งถึงยันลึกซึ้ง นะสังเกตได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมมาพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างคาถาธรรมบทอ่ะอธิบายกันอีกก็ได้อธิบายจบแล้วมาอธิบายอีกก็ไ่้มีความลึกซึ้งวิจิตรพิสดารเหลือเกินท่านก็ได้จับหลักว่าอ๋อนี่หลักเราได้หลักแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าโปรดเราแล้วพระพุทธเจ้าก็คงจะทรงรู้อยู่นะฮะ ว่าอุทานอย่างนี้ใครได้ประโยชน์ส่งอุทานเพื่อใครและใครได้ประโยชน์เป็นคนที่หนึ่งคนที่สองเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านก็ได้ทรงจําอุทานนี้เป็นคําเปราะเป็นคําเตือนใจไปอยู่เมื่อเข้าเฝ้าไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนก็นพูดกับตัวเองพูดให้ตัวเองได้ยินเป็นคําแก้สาระพัดนึกเลยทีเดียว เราปฏิบัติทําไปติดขัดตรงไหนอะไรก็พูดคานี้อุทานได้คํานี้ที่ต้องพูดเลยว่าท่านอุทานจริงๆเพราะว่าไม่ใช่สักแล้วว่าพูดแล้วก็พอแก้ปัญหาได้พอเลื่อนใจขึ้นไม่ได้ก็อุทานในคํานี้จนได้บรรลุเป็นพระอระหันต์ในที่สุดด้วยบทอุทานบทนี้ก็ผ่านเลยไปถึงอีกอง ค, ครับองค์ที่หก สิบเก้าองนี้ชื่อว่าฉันนะพราะเอ่ยถึงชื่อว่าฉันนะเนี่ยเราทั้งหลายก็จะนึกถึงบุคคลคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพุทธเจา้ามาตั้งแต่อยู่ในล้วในวังคือนายชนะจ็อกกี้ขีมามังตะการมางตะกานัา่นก็อันหนึ่งมางตะการวันเดี๋ยวนี้ไปไหนรู้ไหมไปเป็นเทวดาเชนเดวดึง แล้วได้มาฝ้าพุทธเจ้าบรรลุเป็นโสดาบันไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าม้าตีนปลายอะไรเรามันม้าตีนไหนเนี่ยเออไว้เป็นมา้าจะดีกว่านะให้พุทธเจ้าขี่ขี่เสร็จแล้วก็ทํากิจเกศไปขึ้นไปเป็นเทวดาพุทธเจ้าขึ้นบัญชีไว้โปรดหมดโปรดชาตินี้โปรดชาติหน้าก็แล้วแต่สภาพคนตอนเป็นม้าโปรดไม่ได้ทีนี้นายชันนะเนี่ย เป็นลูกเต้าเหล่าใครเราอาจจะไม่รู้ไม่ได้เป็นลูกทานหลานเธอเป็นลูกของพนักงานรับใช้ในวังแต่ว่าอาภาษาในพระไตรปิฎกเนี่ยเรียกทาสีหมดนะฮะเรียกทาสีไอ้ไอ้ทาสของเราเนี่ยมันแหม่ตามสุดแล้วแต่ของของอินเดียเขาเนี่ยเขามีทาสีของใครนี่เป็นทาสีในวังข<ม>องพระเจ้าสุโธตนะถ้าแกออกนอกวังแกจะมามีทาสีกแก ตาสีขงตาสีนี่เป็นพูดไงว่าคนใช้พระราชานอะไม่ใช่ธรรมดาเอามีแล้วกันนะเป็นลูกของหญิงรับใช้ในวังพระเจ้าสุโตตันแต่ที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยในันนะเป็นสหาชาติของพระพุทธเจ้ า, เ, าเดี๋ยวเราจะมาพูดว่าทำไมถึงมาเป็นลูกธาสีบังเอิญมีปุพกรรม แล้วก็บุปกรรมนั้นยังส่อมาถึงปัจจุบันด้วยถ้าหาชาติแล้วว่าผู้ที่เกิดวันเดียวพุทธเจ้ามีเจ็ดใช่ไหมล่ะในฉันนะอามาตกากาลุทายีนางยาโสธราต้นพระศีมหาโพมากัทัง ก, กาแล้วก็ขุมขุมทรัพย์ถือว่าเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจ บุญและความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านายชันนาก็เป็นคนหนึ่งนี่เรียกว่าเป็นเป็นคนสําคัญคนหนึ่งทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าสเสด็จออกบวชแล้วก็เลยเสด็จมาโปรดพระญาตินายชันนาก็ออกบวชแต่สาเหตุออกบวชเนี่ยท่านใช้คําว่าบวช ด, ด้วยความจงรักในพระพุทธเจ้า ไม่ได้บวชเพราะเหมือนอย่างเบญจวคีนะนั่นไม่ได้บวช ด, ด้วยความจงรักแต่บวชเพราะความรักธรรมะแต่ในฉันทานั้นบวชเพราะความรักคนรักทางเนื้อทางหนังเป็นความผูกพันแต่เมื่อบวชไปแล้วเนี่ยตัวก็ไม่ได้ไปมีหน้าที่อุปธรมอุปถาอะไรจะไปหามา้ามาขี่ถวายพระพุทธเจ้า ก, ก็ไม่ประทับ ตัวรถโปรกไมก้ก็เลยตกงานตกงานแล้วแทนที่จะหางานพระทำคือมีศาสนาธุระกันตรรัดธุระไม่อยู่เฉยๆและอยู่ใใเฉยๆก็ยังนับว่ายังน่ารักนะแต่นายฉันดานั้นไม่ได้อยู่เฉยครับกิจที่ควรทําไม่ทําไปทําสิ่งที่ไม่ควรทําไปทําอะไรเบ่งะ เข้าใจคําว่าเบ่งไหมเบ่งเบ่งกับพระทั้งหลายเนี่ยพระทุกองค์ไม่อยู่ในสายตาเลยตั้งแต่ภาษาริบุตรไล่ลงมาเจเพูดอยู่คําว่าพระพุทธเจ้าก็ของเราพระธรรมก็แต่ในนั้นไม่มีคำาัธยประสงค์ของเราด้วย <c ười> คือพยายามจะคือ <c ười> <c ười> ว่าไม่ใช่เจ้าของนะคือพระพุทธ กับพระธรรมเนี่ยเป็นของอยู่ในพระพุทธเจ้าธรรมมาเป็นของพระพุทธเจ้าในฉั น, นาก็เอาความสเสน่หาเข้าไปยึดหมดแต่พอมาถึงพระสงฆ์เขาบอกว่าแต่ก่อนแต่ไรไม่เห็นสาธีบุตรไม่รู้อยู่ไหนโมคะลานะไม่รู้อยู่ไหนนี่เป็นการพูดปฏิเสธฐานะความสําคัญของพระสงฆ์อื่นทั้งหมดก็หมายความว่ า, วาอยู่ด้วยมานะแล้วก็วันวันก็คุยเบ่ง แกใครแต่ใครเขาอย่างนี้ท ร, รมากก็ไม่ทำก็เลยกลายว่าชีวิตการบวชของท่านบวชเพื่อพอกปูนกิเลสโดยอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งถามว่าพระพุทธเจ้าทรงให้โอกาสหรือทรงบอกหรือไม่ได้บอกคิดเอาเองคิดเอาเองตามอำนาจกิเลสที่ได้สั่งสมไว้แล้วก็ทันฉันนาะก็เป็นอย่างนี้ตลอดพระชนชีพเลย นับว่าน่าเสียดายอย่างยิ่งนะฮะน่าเสียดายอย่างยิ่งว่าน่าจะทําให้พระผู้มีพรภาคเนี่ยได้ทันเห็นความสําเร็จของตัวเองที่คนที่ตัวรักจะภูมิใจพอใจที่สุดชื่นชมที่สุดนะ่ยคืออะไรไม่ได้ทําอย่างนี้น่าเสียดายใช่ไหมฮะยังไม่ทันเรียนจบเลยเนี่ยปู่ย่าตา ย, ยายพ่อแม่ตายซะก่อนไม่ได้ทันฉลองวริญญาของลูก ลูกก็เสียด้แทนตอนบรินีผ่านนะบนข้แทนบรรทมเตรียมจะวันบรินีผ่านมีพุทธธรรัดฝากประสงค์ไว้ข้อหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมนี่เป็นความห่วงใหญ่ว่าขอให้สงทั้งหลายเนี่ยจงลงพรมาทันแก่ อันนาพิสุขคำว่าลงพรมธรรมทันหมายความไงหมายความว่าไม่ถามถึงไม่พูดด้วยไม่เรียกว่าแม้แต่ชื่อก็ไม่เอ่ยถึงไม่สนใจว่าถ้าเดินสวนก็ไม่มองนะ่นละคนไม่มองไม่ใช่หยิงแล้วเหมือไปนะแค่ไม่มองเพราะเพราสำรวมก็มีเพราะต้องการจะสอนก็มีอย่างนี้ไม่ใช่เพราะยิง พอพระพุทธเจ้าบริณิพานพระาออนนท์นี่แหละครับเป็นผู้ที่นาข่าวพุ ท, พทธพ์คำสั่งพุทธเจ้าไปบอกแก่ท่านพระฉันนะแค่เพียงได้ยินข่าวว่าพุทธเจ้าบริณิพานแล้วและสั่งไว้อย่างนี้นั้นหละรู้สึกตัวทันทีเลยจำเป็นต้องรู้สึกแล้วเพราะว่าหลังจากนี้ไม่มีที่ที่ตั้งแล้ว อย่าไปเทีย่ยวคุยกับผูเจ้าเอา้าผู้เจ้าของคุณคุณก็ไปผู้ทีเจ้าสิอย่ามาอยู่กับพระสงฆ์ทำไมเลยต้องไปกราบขอสมาทานขอสมาสง์แล้วก็หลังจากบัตรนั้นก็ปลาลงว่าเราไม่มีที่พึ่งอื่นแล้วเสียใจเกิดวิปฏิสารร้อนใจภายหลังว่าพระผู้มีพระภาคปฏิพานแล้วปฏิบัติธรรมจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หลังผู้กุฏาปฏิพานอันนี้ก็เหมือนพระนอาหนต์นะใช่ไม่ใช่พระนอรหนต์บรรลุหลังพุฏาปริพัน ท่านชั้นนะหลังวรินิ์ผ่านแต่สองคนนี้ ม, มีวิถีทางที่แตกต่างกันพระอานนทะ์เขาเรียกว่าเสียสละประโยชน์ตนบำเพ็ญกิจต่างๆของพุทธเจ้าจนกระทั่งไม่มีโอกาสจะได้ประพฤติปฏิบัติเองแต่ท่านชันนะนั้นไม่ได้ทำประโยชน์ใครเลยมีแต่ทำลายประโยชน์ชวบ้าน แต่เพราะว่าบุญกุศลอย่างอื่นมีก็จึงได้มารู้อย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านชนนะเนี่ยชาตินี้เกิดเป็นลูกแทนที่จะเกิดเป็นลูกเจ้าลูกนายแล้วก็เกิดมาเป็นคนมีมานะจัดท่านไม่ได้พึ่งมีแต่เฉพาะในชาตินี้ได้เล่าว่าตัวท่านช น, นะนี้ได้เคยแต่อดีตเนี่ยเป็นคนเคยได้สั่งสมอุปนิสัยไว้แล้วอย่างนี้เมื่อ อดีตชาติจึงทำให้เป็นคนอย่างนี้คือไอ้สิ่งที่สังสมไว้อุปนิสัยอย่างนี้มันติดตัวข้ามภพข้ามชาติมาได้ต่อไปองค์ที่เจ็ดสิองค์นี้ชื่อว่าปุณณนะท่านปุณณะนั้น <c oughs> ชื่อเสียงของท่านเราส่วนใหญ่พอจะได้ยิน ขออย่าเอาไปปนกับปุณณ ะ, ะมันตานีบุตรที่ได้พูดแล้วที่พระเจ้าได้ทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในทางธรรมกถะถึกท่านปุณณะมันตานีบุตรนะเป็นลูกของนางพรามณีมันตานีนะเป็นคนละเป็นคนละองค์กับองค์นี้สำหรับองค์นี้เป็นลูกพ่อค้าคฤหรือหาบอดี ท่านปุณณะมันตานีบุตรเป็นลูกพรามเกิดในตระกูพลพรามแล้วก็เกิดในแควนมคตแต่ว่าองค์นี้เนะ่ะเกิดในปัจจันตาชนบทนะ เ, เขาเรียกว่าสุนาปรันตาชนบทเป็นพ่อค้าขว่าบรรทุกสินค้าไปขายยังเมืองต่างๆคนที่ทำการค้าในลักษณะอย่างนี้ก็ดีอย่างทำให้หูตากว้างเวลาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็มีโอกาสจะได้ทราบข่าว อะไรต่างๆแล้วก็พ่อค้าพวกนี้ยมกยักจะเป็นผู้สื่อข่าวนําเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปบอกกับพวกพระเจ้าแื่นดินใครตะใครที่อยู่อีกเมืองหนึ่งเมืองหนึ่งเรียกว่าขายทั้งสินค้าจากเมืองหนึ่งไปขายเมืองหนึ่งแล้วก็ขายข่าวด้วยเพราะฉะนั้นข่าวที่กาษัตริย์ต่างเมืองที่ทราบความเคลื่อนไหววิทยานยจะทราบจากปากของพวกพ่อค้าอาท่านเกิดบ้านท่านอยู่ที่ท่าสุ ป, ปาระกะก็ไม่รู้อยู่ไหนนะฮะ อันนี้ต้องศึกษากันต่อไปแต่ให้ทราบว่าเกิดในชนบทห่างไกลที่ไม่ใช่ศูนย์กลางของพุทธศาสนานี่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เป็นเหตุทําให้ท่านปุณณะมาบวชก็เพราะว่าเมื่อพระพุทธศาสนาพแพร่กระจไปที่เมืองสาวัาตถีพระเจ้าเสด็จไปที่เมืองสาวัตถีแล้วอท่านปุณณะได้เดินทางขนสินค้าบรรทุกเคลื่นไปที่เมืองสาวัตถี แล้วก็เห็นคนเขาไปเฝ้าพระบุตรเจา้าเขาพูดถึงบุตรเจา้าก็สนใจอยากจะไปเฝ้าไปฟังธรรมบ้างเมื่อหมดภาระหน้าที่การ ง, งานก็ไปเฝ้ธธาพุตรเจ้าที่พระเชตวันได้ไปฟังธรรมที่นั่นฟังแล้วก็เกิดความเลื่อมใสถึงขั้นบวชอ่ผมใช้คําว่าเลื่อมใสถึงขั้นบวชถือว่าพิเศษนะพิเศษกว่านเลื่อมใสเฉยๆเลื่อมใสถึงขั้นบวชและยิ่ง คนนั้นมีพื้นฐานมีปาระความรับผิดชอบอย่างาเป็นผลประโยชน์ใหญ่อย่างนี้เนี่ยต้องศรัทธาแรงมากๆทีเดียวก็เลยขออนุญาตบวชพุทธเจ้าก็ท่งบวชให้บอ บ, บวชแล้วเนี่ยท่านบุญน้าท่านเป็นคนน่ารักก็เห็นจะเป็นพวกทาการค้ า, าคนกวายในกิจต่างๆรู้จักเจริจงเจริจาครูบาอาจารย์เนี่ยรักใกล้ ให้การอบรมสั่งสอนโดยเมตตากรุณาอย่างดีพอท่านก็อยู่ประพฤติ ท, ทำศึกษาทางอยู่นั่นแต่ว่ายังไม่ได้บรรลุเป็นพระหลานที่นั่ น, น่ะก็มีวันหนึ่งท่านก็เห็นว่าท่านควรจะจาริกกลับไปโปรดอญาติโยมที่บ้านเกิดเมืองนอนท่านจึงมากราบลาพระพุทธเจ้าแล้วตรงนี้แหละครับที่ทําให้เกิดพระสูตรสูตรหนึ่งที่ชื่อว่ากกระโจมมาสูตรกกระโจมมาสูตรนะั่นคือสูตรที่ อแปลว่าพุทธโอวาทที่ทรงเปรียบด้วยเรื่อยเพราะว่าที่เมืองที่ท่านอยู่เนี่ยเป็นว่าเป็นเมืองคนดุเวลาจะไปสอนธรรมะอะไรแต่ไรเนี่ยเขาอาจจะทําอันตรายเอาโต้เจ้าก็สอบอซักถามมาท่านเขาทำเขาด่าเขายัางงูอย่างนี้จนกระทั่งถึงเขาฆ่าเอท่านก็บอกว่าดีดีกว่าเขาเขาเราไปจ้างเขาฆ่า เ, เรียกว่าดีหมด น, นพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสอนุโมทนาเออถ้าอย่างนี้ไปได้เพราะว่าบรรพชิตที่มีความอดทนถึงขนาดว่าเขาตัดอวัยวะแล้วไม่โกรธเนี่ยบรณชิตนั้นหฤๅษีสูนั่นชื่อว่าได้ประพฤติตามคำของเราในข้อว่าขันติวันติเป็นยอดตะบะ ท, ท่านก็เลยไปเผยแพร่พที่นั่นแต่เนื่องจากที่นั่นเป็นที่ที่ไกลมาก เวลาจะติดต่อเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์หรือผู้เจ้าส่วนกลางเนี่ยจึงมีวิธีอันหนึ่งซึ่งลูกสาวของอนาถาบิกาเศรษฐีเคยใช้ได้ผลมาแล้วแต่มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อหน่อยคือนางจูรสุภาธาที่ไปแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีมิจฉิธิที่อยู่นอกมัติมะประเทศ ก็ทําวิธีนี้วิธีนี้คืออย่างไงท่านบุญนาได้ไปชวนญาติโยมไปแสดงธรรมญาติโยมเลื่มใสเป็นนั้นมากแล้ว <c oughs> ก็ชวนให้สร้างกุฏิถวายพระพุทธเจ้าอ่าสร้างถวายสร้างเป็นพุทธบูธชาเป็นกุฏิไม้จันท์เรียกว่าจันทมาลาจะจันท์ทางหลังหรือแค่ไหนยังไงไม่ทราบนะชื่อว่าคันทกุฏีเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าโดวยวิธีการเสียใช้ดอกไม้เป็นธูป จันใช้ก็ใช้ดอกไม้เป็นธูตคือนำดอกไม้ขึ้นมาอธิษฐานแล้วก็ซัดขึ้นไปบนอากาศขอให้ดอกไม้เนี่ยจงไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วขอพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าดอกไม้นี่มาจากใครดอกไม้ก็ไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงรับทราบแล้วก็ทรงรับนิมนต์ด้วยดอกไม้นี่เหมือนกนับนางจูรัสสุภาตารม แล้วก็เวลามาสเสด็จไปที่อื่นไกลเนี่ยก็จ ะ, สะเสด็จไปด้วยฤทธิ์ครับไม่สามารถจ ะ, สะเสด็จไปด้วยวิธีธรรมดาได้แล้วท่านปุณณะนี่แหละครับได้มาบรรลุเป็นพระอราหันต์ที่นี่เองไม่ได้บรรลุที่อื่นไม่ได้บรรลุมาก่อนก็นับว่าท่านผู้นี้ไม่ใช่เป็นผู้บรรลุเร็วเหมือนกับอีกหลายๆายรูปที่ได้กล่าวถึงมีบุพกรรมที่น่าจะต้องพูดให้ฟังนิดหนึ่งเพราะว่าถือเป็นข้อคิด อะไรบางอย่างด้วยคือบุญที่เราทําเนี่ยบุญทํากันได้หลายวิธีแล้วเวลานี้เราพูดถึงว่าการเผาศพเนี่ยมันเหมือนจะไม่ได้อะไรขึ้นมาเราลืมนึกเหตุผลในเชิงที่เป็นบุญอย่างว่าเวลาไปเผาศพพระคนเบียดเสียดกันมากมาย่าไปพระราชทานเพลินศพพระบ ร, รมศพพระเดชยาเนี่นะไปไปลุมเป็นแรงกันเนี่ย แล้วเราทำถูกต้องหรือไม่หรือเราควรจะอยู่ที่บ้านทำอย่างอื่นไม่ต้องไปถ้าอธิบายด้วยคติทางศาสนาเนี่ยการเผาศพเนี่ยถือเป็นงานบุญอันหนึ่งนะฮะไอของเราเนี่ยเราใช้เป็นเชิง เ, เรียกว่าเป็นสังคาวัตุบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์นะคือผูกน้าใจกันเรามุ่งก่อนแง่นั้นแต่ว่าในทางสารรมสถือว่าเป็นงานบุญงั้น เผาศพพระพุทธเจ้าเป็นบุญใหญ่แล้วแต่ว่าเราไปเผาศพใครที่มีคุณสูงก็เป็นบุญมากตอนนั้นอ่าแต่อย่างงั้นคนบุญบุญเนาะคนดีน้อยเราอย่าไปใช่ไหมละ่ะไปแล้วไม่ก็ได้บุญอ้าวอย่างนั้นเราก็เลยเอาบุญอันอื่นไงไปสงเคราะห์เผื่อเราจะไปแล้วให้เขาได้จับชายในไทยไปสวรรค์ได้บ้างไปแผ่สู่มุสอ้นให้เขา ก็ไปสงครอะก็ในแง่นั้นถ้าเป็นคนมีบุญมากเราก็ไปแสวงบุญในด้านบูชาด้วยประการต่างๆท่านผู้นี้ท่านได้ทำไปเผาศพใครเล่าว่าในสมัยเก้าสิบเอ็ดกับที่ผ่านมาไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นตอนนั้นมีพระปัจเจ้เจาได้ไป บำเพ็ญรมอยู่ในป่านะแต่เป็นผูะ พ, พระระปเจกแล้วแล้วก็ตัวท่านเองท่านปุณณะในตอนนั้นท่านเป็นดาบทสร้างอาสมอยู่ในที่ไม่ไกลาจากนั้นก็อยู่กันมาต่างคนต่างไม่ได้เกี่ยวข้องกันไม่รู้กันจนพระประเจกเนี่ยอาพาธบาลีนิพานก็มีแสงเรืองขึ้น ท่านก็นึกโงนว่าเอ็นนั่นอะไรก็รู้เอ๊ะน่าจะเป็นคนมีบุญก็ไปเห็นท่านปัจเจกปรานิพานท่านก็ดีใจว่าจะได้โปร่งศพท่านจึงไปหาไม้จันนะที่มีในป่าเนี่ยมาทำเป็นเชิงตะกรอนแล้วก็เผาศพท่านจัดการเผาศพท่านเทวดาในที่นั้นได้มาร่วมงานด้วยแล้วก็ได้อนุโมทนาสาธุกับท่าน กว่าเป็นสิ่งประเสริฐและที่ท่านได้ทําทชาวปนกิจแก่พระผูมิเป็นเจ้ารูปนี้จะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบรมีติดตัวท่านไปไวยใจให้พรเลื่อยไปเลยเพราะฉะนั้นงานศพเนี่ยไปแล้วต้องเอาบุญให้ได้ด้วยวิธีใดถึงว่าบางทียิ่งลําบากมากก็ยิ่งได้บุญมากถ้าเราประคองใหญ่ไว้ได้ลําบากน้อยก็ได้บุญน้อยกามาว่าจรบุญเราเป็นอย่างนี้ผิดกับ าภาวนาบุญห ร, อรอญือรูปารวจรูปณรูปาวจรบุนได้บุญมากโดยวิธีที่สบายมากยิ่ง ส, สบายมากยิ่งได้บุญมากแต่กามาอาวจรบุนะ่ะยิ่งลำบากยิ่งได้บุญมากอีกองคหนึ่งครับท่านวัชปาละท่านวัชปาละเป็นชาว ม, มคตรงรั้นจะคือลูปพราหมมหาสาล ที่ศรัทธาและออกบทก็ตอนที่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยปุราณะดินหนึ่งพันสามรูปสเสด็จพากันสเสด็จไปเมืองาราชเกื้ อ, อจำได้ไหมฮ ะ, ะเสด็จไปเพื่อโปรดพระเจ้าปิา่นปิสารนตอนสเสด็จไปเนี่ยคนในเมืองาราชคคือเนี่ยเขาเลื่อมใสพวกชาดินอยู่เป็นคุนเดิมอยู่ก่อนแล้ว หลายคนก็สงสัยว่าพระผู้มีพระภาคพระสมณะโคโดมกับออรุเวลากัสปะเนี่ยใครหนอเป็นศาสดาของใครพระผู้มีพระสงฆทราบวารจิตก็ทรงบอกแก่ท่านออรุเวลาบอกขอให้ท่านยังวิมติกังขานี้ให้ขายให้หายท่านก็ทำฤทธิ์เป็นพิเศษแล้วก็เข้ามา นอบน้อมที่ประบาทของพระศ า, าสดาทุกคนเห็นก็หายสงสัยว่าใครเป็นศ า, าสดาใครและความเลื่อมใสก็มาอยู่ที่พระผู้มีภาคพระผู้มีภาคจึงได้แสดงธรรมในโอกาสนั้นนะครับที่ท่านวัชปาระได้ศรัทธาแล้วก็ได้ออกบทในครั้งนี้เองเมื่อบทแล้วก็ได้ประพฤติธรรมเห็นว่าบรรลุเป็นพระหลานค่อนข้างง่ายไม่โลดผลในวันที่เจ็ดระบุวันไว้ด้วย บรร ล, ลุเป็นพระหลันในวันที่เจ็ดเลยทีเดียวท่านถึงบอกว่านิพพานไม่ยากเนี่ยคืออะไรที่ใครก็ทำง่ายเขาก็ว่าไม่ยากนะเดีย๋ยวลองมาฟังท่านท่านว่าท่านบอกว่าพระโยคาวจรผู้มีปกติเห็นเนื้อความอันสุ ข, ขุมและละเอียดผู้มีปัญญาเฉียบแหลมผู้ประพฤติศีลของพระพุทธเจ้าโดยเอื้อเฟือ้อ พึงได้บรรลุนิพพานโดยไม่ยากเนี่ยก็พูดตามภาษาท่านแต่ท่านก็แสดงเหตุด้วยวันหนึ่งต้องมีความเข้าใจเข้าใจหลักเข้าใจหลักปฏิบัติแล้วก็ต้องเป็นคนมีปัญญาปัญญาคือปัญญาที่ติดตัวมาแล้วก็ปัญญาบริหารทำแล้วก็มีศีลที่เป็นเบื้องต้นของปรมาจารย์รักษาศีลโดยเคารพโดยเอือเฟือถ้าอย่างนี้แล้วก็ บรรลุทำได้ง่ายก็อันนี้ก็คือเรื่องของท่านเองอ่ะท่านคงเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกองหนึ่งท่านอาตุมะอง์ที่เจ็ดสิบสองเป็นชาวเมืองสาวัตถีรูปเศรษฐีเมื่อจะเดินเติบโตเป็นหนุ่มแม่กับญาติก็วางแผนหาภรรยาให้ อาตุมะก็บอกว่าเขาไม่ชอบการกรองเลือนและไม่ประสงค์จะกรองเรือนจะขอบวชแล้วก็ลาแม่ลาญาติออกบวชโดยที่แม่และญาติไม่เต็มใจแต่นี้เมื่อไม่เต็มใจเนี่ยพอบวชแล้วก็นึกว่าอย่างไรเสียคงจะสึกอ่ะเพราะว่าเคยอยู่สบายกินสบายก็พยายามไปเครียกล่อมว่ให้ฝึกเธอมามีครอบครัวดีกว่า จะทำบุญก็สามารถที่จะทำได้เพราะเงินทองเราก็มีเยอ ะ, อะตรงนี้ควรฟังเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าท่านอาตมะเนี่ยเมื่อแม่มากล่าวเกลียดกล่อมอย่างนี้ท่านก็กล่าวข้อความชี้แจงแก่แม่และญาติในขณะที่ยืนอยู่นั่นแหละแล้วก็กล่าวคาถาชี้แจงกล่าวเนื้อความชี้แจง ท่านบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขณะยืนนั่นเลยขณะพูดนี่เป็นอีกองหนึ่งครบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขณะยืนพูดขี้แจงแก่แม่่อพอบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็บอกลาแม่ลาญาติเหาะไปต่อหน้าเลยในนั้นเรียกว่าต่อตาเลยครับแม่มองตาแป๋ว้ลูกเหาะเป็นพระอาหารหันต์เหินไปต่อหน้าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่า บรรลุขณนะพูดทีนี้ว่าท่านพูดว่ายอย่างไรเราดูคำพูดสัก้นๆหน่อยนะท่านบอกว่าหน่อไม้มียอดอันงอกงามเจริญด้วยกิ่งก้านโดยรอบย่อมเป็นของที่บุคคลขึ้นได้โดยยากฉันใดเมื่อคุณแม่นำภรรยามาให้แก่ฉันแล้วถ้าฉันมีบุตรหรือที่ดาขึ้นก็ยาก ที่จะถอนตนขึ้นออกบวชได้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นฉนันจะบวชในบัดนี้ก็คือเป็นคำพูดปฏิเสธการแต่งงานที่แม่พยายามจะให้แต่งงานอันนี้ก็คือเหตุผลของท่านคือไม่ต้องการพันธะที่ใช้คำว่าพันธะพมีลกมูกเปเจ้าแล้วก็ออกบวชได้ลำบากก็จริงอย่างท่านว่านะฮะ เราไปดูประวัติท่านสมัยก่อนๆเนี่ยท่านก็ผ่านการบวชมาตลอดชีวิตอย่างสมัยพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยบวชตลอดชีวิตแสดงว่าชีวิตอพรหมจรรย์ในกรรมบารมีท่านทำไ้เยอะเล่าอีกสักองค์นะต่อไปท่านมานวะเถระเป็นชาวเมืองสาวัตถีลูกพรามมหาศาลอองค์นี้นะมีประวัติบางจุดคล้ายพระพุทธเจ้า <c oughs> แล้วก็ประวัติในอดีต บางจุดคล้ายท่านัญญาโกรนัญญาคือว่าเมื่อเป็นลูกพรามหาสารพรามลารวยเนี่ยตั้งแต่เด็กมาจนอายุเจ็ดขวบเนี่ยไม่เคยออกนอกบ้านเลยเลี้ยงดูของลูกของรุงไม่ได้ออกไปนอกบ้านออกไปนอกเขตบ้านใหญ่โตขนาดไหนเราไม่ทราบเค่นี้ก็มีวันหนึ่งจะขอให้พวกบริวารเนี่ยพาออกไปนอกเขตบ้าน เพื่อไปเที่ยวอุทยานไปดูโลกภายนอกเขาบ้างก็ไปเที่ยวดูเกิดไปเจอคนเจ็บคนแก่คนเจ็บแล้วก็คนตายเป็นภาพที่ตัวเองไม่เคยเห็นมาก่อนและไม่เคยคิดว่าจะมีจะเป็นอย่างนี้ก็ถามบริวารว่าทาไมก็เป็นอย่างนั้นไปถามรายละเอียด ยิ่งถามก็ยิ่งรู้สึกว่าเศร้าสลดสะเทือนใจเด็กอายุเจ็ดขวบเกิดความสลดใจอย่างเลยให้พาไปที่วัดคือเวลาพูดแล้วพูดเป็นธรรมะก็มีวัดที่จะให้พาไปบริวารก็พาไปไปที่วัดไปฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพอฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะตัวก็รู้เลยว่าเรามีหนทางที่จะไปหนทางที่จะ แก้ไขอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในความรู้สึกเราก็ไปขออนุญาตพ่อแม่ออกบวชเน่ก็รู้สึกว่าบารมีดีพ่อแม่ไม่สามารถไม่ทักท้วงคือเจ็ดขวบนี่ทักท้วงจริงจคงพอได้แต่คงจะเป็นผู้ใหญ่เกินอายุมากพ่อแม่จำใจให้บวชพอไปบวชแล้วประพฤทธวิปัสสนากรรมฐานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่นาน อันนี้ไม่ได้บอกว่าเมื่ อ, อไหร่หจริแต่ใช้ก็ว่าไม่นานเพาราะบรรลุเป็นพระหลานแล้วอายุเจ็ดขวบเนี่ยพร ะ, ระก็มักจะชอบถามประวัตินะนี่เป็นธรรมดาวันนี้มาบวชเพราะอะไรเนี่ยเหตุปัจจัยอะไรทําให้ดวูให้บวชสลดใจอะไรหรืออท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าท่านสลดใจอะไรยังไงนะทจริงๆก็มีคาถาท่านบอกว่า ท่านก็เล่ามือนที่ผมว่าว่าฉันเห็นคนแก่ฉันเห็นคนเก็บหนักและคนที่ตายตามอายุขยแล้วจึงละได้ซึ่งตามอันเป็นของรื่นรมใจแล้วออกบวชเป็นบนรรพชิตนี่คือสาเหตุที่นี้ที่ว่าอบุปกรรมส่วนของท่านที่เหมือนก็คือท่านผู้นี้เนี่ยในอดีตสมัยพระพุทธวิปัสสีพุทธเจ้า ท่านได้เป็นเป็นผู้พยากรณพุทธลักษณะของพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าจะได้ลือสัตว์ขนสัตว์ไปสู่พระนิพพานคือจะเป็นพระพุทธเจา้าก็ที่ผมว่าเหมือนกับอัญญาคุณญาติก็คือตรงนี้ เ, เราคงจะจบสำหรับการมายายวันนี้ไว้แตเ่เพียงเท่านี้คงพอสมควรแก่เวลานะ ก็ค่อนข้างยับ